أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اسم <ت ص في ق> الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا ع ل م ل نا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب إشرح لي صدري وييسر لي أمري وحلل ع دت من لساني يصحو قولي اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علم ا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم توفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرين ر ب ن ا آ ت ن ي ي من ا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدة الحمد لله شكر الله سبحانه تعالى وني إن, ال ان, إن شاء الله นะครับเราจะสรุปเรื่องราวของนบีดาวูดอะลัยฮิสサラมเหลือเวลาอีกนะครับค่ำคืนนี้เป็นค่าคืนศุกร์ค่ำคืนที่ว่าคืนวันศุกร์ พรุงนี้วันศุกร์ใช่ไหมครับศุกร์สุดท้ายของเดือนเรจาจะอัลลอฮ์นะครับประมาณวันอาทิตย์รอรอประจาจากสำนักจุฬานะครับอีกทีนึงว่าเขาดูเดือนเห็นเดือนกันวันไหนแต่นี่เป็นช่วงสุดท้ายนะครับของเดือนระยับแลวเราก็จะเข้าสู่เดือนฉะบานแล้วขอดูอาให้เราได้ต้อนรับนะทั้งเดือนฉะบานและเดือนรอมฎอน ไป ห, หัวใจนะครับที่พร้อมจะตอบส أعوذ ب ا ل له من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <c oughs> الحمد لله رب العالمين اللهم صل و, و س ل م وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا ع ل م ل ن ا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم อัล اظلمنا ن, ن ف س ن ا و ل م ت ق ر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهمعلمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا و ز د ن ا علما رحمتك يا ر ح م الرحيمين الحمد لله شكر ต่อ l a h س ه ا, أ س ة س ل ى อีกครั้งครับรอัลมุดเรเป็นรที่เรากลัง ศึกษาหรือร่วมให้ควรเนื้อหาของมันอยู่นะครับเป็นอีกหนึ่งสุราที่ท่านนาบีสุลตัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมได้รับการตรบีย ع หรือสั่งสอนอบรมจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุตะเลในชีวิตของท่านนาบีสุลตัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลมัมพี่น้องครับเราจะสังเกตว่า ชีวิตที่มีอัลกุรอานคอยชี้เนยอยู่เสมออยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ไม่ทำให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวคว้งคว้างโดยเด็ดขาดซุบฮานัลลอฮ์อัลกุรอานเองเนี่ยเนื้อเขาเรียกว่าอะไรนะเฉพาะ เฉพาะการอ่านอัลกุรอานเองเนี่ยมันก็ทำให้หัวใจของเรานี่ก็ชุ่มชุ่มชุ่มชื้นขึ้นมาได้เวลาที่เรารู้สึกไม่ปกติไม่ปกติตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คนบ้าหรือเสียสตินะครับหมายถึงว่ามีความรู้สึกอ้างว้างอันนี้เป็นโรคที่มันเกิดขึ้นเยอะในช่วงหลังๆเนี่ย น่าแปลกมากเลยนะครับเราอยู่ในโลกที่มีการสื่อสารที่รวดเร็วเยอะแล้วก็กระจายไปทั่วแต่มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราเหงาและวก็เดียวดายอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายเป็นเพราะอะไรเราอยู่กับ facebook ได้24ชั่วโมงอยู่กับไลน์ได้ตลอดเวลาได้ทั้งวัน แต่ก็ยังมีสเตตัสเงาเงได้อ่านกันทุกวันว <Console> ันนี้เงาจังเลยวะเป็นอะไรอะฮะ UH> เพื่อนในเฟซบุ๊กนี่บางคนนี่เป็นพันบางคนนี่เต็มโคต้าเลยนะเฟซบุ๊กเนี่ยอนุญาตให้เพื่อนได้กี่คนห้าพันคนบางคนนี่เต็มโคต้าครับรเต็มโคด้ามีเพื่อนในเฟซบุ๊กห้าพันคนช่วยมันไม่ได้สักคนเป็นเพราะอะไร ไม่ช่วยอะไรเลยนะครับไม่เหมือนกับอัลกุรอานอัลกุรอานเนี่ยอัลล์ุบฮานตะลาบอกว่าอะไรนะอ่สรลฟุรคนที่อัลล์ตะลาบอกว่าต้องการอะไรวับันม่ใช่ h u a l l h u a l a ลนุสบบิตะุบบิตะ b อัลกุรอานเนี่ยอัลลซุะตะลประทานลงมาให้กับท่านนาบีลลัลลอฮุอะลัยฮิลมตามภาวะตามสถานการณ์คือไม่ได้ลงมาทีเดียวคำพีอื่นๆคำพีตรอเนี่ยอัลลตะลประทานมาทีเดียวให้กับท่านนาบีมูซาอะลัยฮิสสลามแต่อัลกุรอานเนี่ยอัลลตะลจะลงมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดพวกกะฟิรเองก็ถามท่านนาบีว่าทำไมอัลลอหุตะลไม่ประทานอัลกุรอานให้กับท่านเนี่ยให้กับเจ้าอุมมัด ทีเดียวเลยต้องการอย่างนี้นเรียกร้องกษัตริเราก็เลยบอกว่าเนี่ยที่ลงมาทีละนิดทีละนิดลีนสแทบปีแทบปฮีฟูเอดเพื่อให้หัวใจของท่านนาบีนั้นก็ เ, เรียกว่ามั่นคงแล้วก็แข็งแรงเราจะได้รับบทเรียนอะไรจากจากอายัก์แบบนี้ที่อัลลอฮ์ตากเราบอกว่าลงอัลกุรอานลงมาทีละนิดทีละหน่อยเนี่ยเพื่อให้หัวใจของท่านนาบีนั้นมีความมั่นคงแล้วก็ยืนหยัด อนนี้มันชี้ให้เราเห็นว่าอัลกุรอานนี่มันสามารถรักษาหัวใจของเราได้มันสามารถเสริมแรงมันสามารถให้กำลังใจเวลาที่เรารู้สึกเหงาเวลาที่เราสุดโดดเดี่ยวแรกแรกเราอาจจะมีความรู้สึกว่ามันยากที่เราจะเอาอัลกุรอานมาแล้วก็เอามาอ่านเพื่อรักษาความเหงาของเราแต่พอเราอ่านไปสักพักหนึ่งเราก็จะเห็นผลทันทีเลยนะครับว่ามันช่วยได้จริงๆ มันช่วยคลายมันช่วยปลอบโยนได้อย่างมากเลยทีเดียวอันนี้เราอ่านคนเดียว น, นักภาษาอะไรเวลาที่เราได้เล่นอ่าน ห, าหลายคนมันยิ่งเพิ่มนะครับความรู้สึกอันนี้แหละผมที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่ตัวเองก็ได้ได้สัมผัสหมายความว่า บันครั้งเราก็มีอาการแบบนี้เหมือนกันเพราะเราอยู่กับ mm hmm. เทคโนโลยีจนเยอะเกินไปอยู่ในโลกออนไลน์เขาเรียกว่าโลกโลกออนไลน์ก็คือโลกเสมือนแล้พูดให้มันเก๋โลกมโนโลกโลกที่ต้องมโนเยอะมันอยู่มันล่องลอยไม่รู้ไปไหนไม่ได้อยู่กับความเป็นจริงพเพราะมันนั่งอยู่กับความเป็นจริงนี่นะมันมันลดอาการตรงนี้มันจะลดลงไปเองเพราะฉะนั้นทํายังไงเพื่อที่จะให้มันส ม, ม ด, ดุลกัน ระหว่างชีวิตที่เราต้องสื่อสารอยู่ตลอดเวลานั่งรถกับใช้โน้ถือเดินจะบางทีเข้าห้องน้ำานะ่าสุบินละอันเนี้ยสุดๆเลยเราเคยพูดแล้วใช่ไหมครับประเด็นนี้เพราะฉะนั้นอัลกุรอานเนี่ยยังคงเป็นหมาะจีเเป็นความมหาศย์เวลาที่เราเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้จะแก้ยังไง จับอลัลกุรอานก่อนเป็นลำ ด, ดับแรกนะสมมติว่าไม่รู้จะแก้อะไรยังไงไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกโกรธไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกทอ้อแท้ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่ที่มันรุมเร้าเข้ามาเนี่ยในชีวิตของเราถ้าไม่รู้ว่าจะหาทางออกจากไหนไรีบกลับไปหาอลัลกุรอานก่อนเป็นลา ด, ดับแรกนะ ให้นึกถึงดูอาที่เราเคยบอกว่าอันนบีเคยให้ขอดูอาว่าอะไรนะเอาเอาอะอ่อ่านอ่อ่านออ่อ่าน่านานอ่อ่อาอานอนออ่าอานอ่านอ่านออ่าอานานอานอ่อ่านอ่อานอนอ่านนอน่านอ่นาอ่านานอ่านส่่อ่อ่า่นอ่านอ่่นอ่่นี่านา่อานออานอ่น่ออาาออน่อนน เป็นสุราที่ถูกประทานลงมาในช่วงที่ท่านนาบีสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมกำลังประสบกับเหตุการณ์ที่ต้องเผชิญหน้าหรือรับมือกับการต่อต้านของหัวโจกของพวกกุรเรชในตอนต้นของการด่าวะของท่านนะครับตอนต้นในตอนเริ่มต้นของอิสลามซึ่งพอท่านนาบีได้รับการถ่ายทอด ได้รับคำสั่งได้รับการติวเราก็จะเห็นเลยว่านะการทำงานของท่านมนีความเข้มแข็งมีความมั่นคงนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นี่คือความเรียกว่าความมหาศย์จจของอัลกุรอานอกอรรมในแง่ความรู้สึกทางจิตใจในแง่ของการเพิ่มกำลังใจให้กับเราจำเอาไว้นะครับว่าให้มันเป็นอนิสคำว่าอนสเนี่ยรูนะ้จะมีหลายคนชื่ออนีสใช่ไหครับอนสเนี่ย คำว่าอานิสหมงถึงเพื่อนสนิทคนที่คอยปลอบโยนเราอยู่ตลอดเวลาให้อัลกุรอานนี่เป็นอานีสอานี้สุลอานี้สุลวาเวลาที่เราอยู่คนเดียวไม่มีใครคุยกับเราไม่มีใครชวนเราไปนู่นไปนี่ไม่มีใครพูดกับเราไม่มีใครทักเราไม่มีใครแชทกับเราอัลกุรอานเป็นอานิสเป็นอะไรเป็นคนที่มา ดูแลหวัวใจเรานะครับแทนที่จะไปหาจากโปรแกรมนั่นโปรแกรมนี่แอปพลิเคชันนั่นนะมีเยอะแยะไปหมดเนี่ยมิมีประโยชน์เองอัลกุรอานนี่แหละดีที่สุดแล้วอัลลอฮฺ س ب าน ن ه และ ت อ ا มาดูกันนะครับว่าวันนี้ตั้งแต่อายะทยี่เท่าไหร่อายะที่แปดนะอายะที่แปจบแล้วนะครับเจ็ดอายะที่เราอ่านไปเนี่ย ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งของอัลลอ์มบะลาได้สอนอันนบีสัลลัลลอฮุยะไปแล้วนะครับสุดดือนที่ผ่านมาอลรอบบิฟสบรจบแล้ววันนี้เาจะไครับอินชาอัลล์อุบิลลาฮิมินชชัยนรรี فإذا نقرافنا قور فذلك يوم إ ف ف ذ يوم عسير คาเ ي รนไรรูเยสีร์ดรนีวแมนขลักตูว่าห ي ดา ว่าจั่งเอ و ุลฮَุัล ن ัมดَดُวับนีนชَฮَดَว่ามหัตุลฮุทมห د ً ا ثمّ يقطع <ت ص في ق> أن أزيد كلا سائره قو صعودا فإذا น ق ر ف النقر يتبع เมื่อได้ถูกเป่าลงไปในแตรด้วยการเป่านะครับที่ทำให้มีการฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอันนี้ คือเขาเรียกว่าเนื้อหาในการออนซเราบอกแล้วนะครับว่าออนซ่หมายถึงอะไรนะการเตือนด้วยสิ่งที่ทำให้เกิดความกลัวเพราะฉะนั้นท่านนาบีสุลต่านได้รับคำสั่งจากอัลลอฮ์ให้มาเตือนบรรดามุรลิีด้วยเรื่องราวที่จะทำให้พวกเขานั้นเลิกจากการทำชั่ว อะไรละเนื้อหาที่ท่านนาบีใช้ในการด่าวะเนื้อหาดังกล่าวก็คือการเตือนด้วยสภาพความน่ากลัวของวันอัคราสนี่เป็นเนื้อหาที่ท่านนาบีเอามาพูดสิ่งที่ท่านนาบีเอามาบอกสิ่งที่ท่านนาบีเอามาด่าวะบรรดามุชริกีในสมัยนั้นก็คือให้พวกเขานึกว่าตัวเองเนี่ยเวลาที่ฟื้นขึ้นมาใหม่เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นให้เกิดความกลัวมาบอกเหตุการณ์ในวันเกียร์มัต فإذا نطرف الن ي الناقور บรรดามุสลิมทั้งหลายรับรก้เถิดว่าเมื่ออิสราฟีได้เป่าแตรอนากูรก็คือตรนะครับบรรดานักตักซีรอุลามะตักซีร์อธิบายว่าการเป่าตรงนี้หมายถึงการเป่าที่ทำให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะนะฟัะตุอัลเบอส์อัลเบอส เพาว่าการตป่ามันจะมีกี่ครั้งครับเป่าให้ให้ตายให้หมดก่อนใช่ไหมแล้วก็พอาตาย ห, หมดแล้วเนี่ยทุกคนตาย ห, หมดเลยมัคลุกไม่มีใครที่มีชีวิตอยู่ก็แม้กระทั่งอิสราฟอลเองก็เสียชีวิตแล้ว阿拉ต阿拉ก็ให้อิสราเอลฟืล้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและอิสราเอลก็มาเป่าปรอบที่สองเพื่อให้มัคลุกทั้งหมดนั้นขึ้นมานะครับทีนี้ <c oughs> วันนั้น เมื่อเกิดการเป่าแตรขึ้นมารอบที่สองจะเกิดอะไรขึ้นฟาซาลิกะเย่วมะอิซินเย่วมุลอาซีนั่นแหละวันนั้นเวลานั้นแหละคือเวลาที่หนักหนาสาหะที่สุดฟะเย่วมะอิซินเย่วมุลอาซวันนั้นเป็นวันที่หนักหน่วงอาซีรก็คืออุสร์นอะไรนะอินน์มะลอุสร ยูสยูสราอูสรอนสรอินนามะลอูสรีอูสรีนี่ยคำแปลมันเป็นอ a ซีบเติมยาเข้าไปตัวหนึ่งแต่ความหมายเหมือนเดียวกันความหมายรักท์เดียวกันก็คือเป็นวันที่ยุ่งยากวันแคลมัทเองนี่เป็นวันที่ยุ่งยากยามยมยาไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ต่างก็รู้สึกถึงความยุ่งยากในวันแคลมัท แต่ว่าอัลลอฮ์ س ب ح ا ะ ه และ تعالى แยกแยกระหว่างมุสลิมกับคนที่ศรัทธาต่อล l l a h กับคนที่ไม่ศรัทธาต่อล l l a h วันนั้นเป็นวันที่เราเองคนที่เป็นมุสลิมเองก็ไม่ใช่ว่าอ อ, อยู่หมายถึงว่าสภาพของวันเนี่ยตัวของวันเองนี่เป็นวันที่ยุ่งยากอมุสลิมเองก็กังวลก่อนที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะพิพากษาเนี่ยเราเองก็กังวล ทุกคนนับสีนับซีหมดเลยไม่มีใครที่แหวว่าเอา้าพอถึงวันนั้นต่างก็มาพูดคุยหันหน้ามาเจราจากันพูดคุยหัวเราะกันดีใจหรือว่าหยอกล้อกันเล่นนี่มีวันนั้นเน่ยเป็นวันที่ยุ่งยากน่าจะกลัวตัวของวันเองนะครับและสำหรับคนแคเฟอร์อาร์เลกฟิรีนะไยรุยซี ตัววันกับตัวคนเราต่างอะไรแยกอายะต์พี่น้องเข้าใจไหมฮะตัววันเนี่ยหนักหนาสาหัสเป็นวันที่ยุ่งยากตัวคนถ้าเป็นกเฟิร์อัลกะฟิริ้งไกรโรยซสีก็ไม่ใช่วันที่ง่ายสําหรับคนกาเฟิรสแสดงว่าในความหมายที่กลับกันหรือสวนทางกันเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมเป็นยังไงฮะ วันมันยุ่งยากก็จริงแต่สําหรับมุกมินแล้วมีความง่ายได้อยู่เข้าใจไหมฮะคนอื่นอาจจะรู้สึกกังวลอาจจะรู้สึกเสพึงกลัวแต่ว่าบรรดามุกมินบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮาวต์อัลลได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์ให้อยู่ในสภาพที่อเชออัลลอฮ์ไม่ยุ่งยากการพิพากษาก็จะเกิดขึ้นอย่างง่ายได้ถ้าเป็นคนที่เป็นคนพิเศษคนวีไอพีที่เราเคยพูดนะครับ ก็จะได้อยู่ในร่มเงาของ Allah سبحانه และ تعالى จะไมหรับคนกาฟเฟนร้นไม่มีไม่มีเลยความสะดวกสบายง่ายดายเนี่ยจะไม่มีชั้นเอไอพีให้กับคนกาเฟเนี่ยเด็ดขาดอาล์ลแครฟิรีนไร้เยียสินะครับนี่คือเนื้อหาหรื่าสิ่งที่ท่านนบีลต่าลอออะลยลลม นะครับเรารับคำสั่งจากล l l a h ให้เตือนบรรดาคนกัฟรนะเพร ذلك يوم อิ ზ ิญย์ยุมุนอาซิร์ลนะิกัสรอติอัวะวันนั้นเป็นวันที่ยุ่งยากเพราะว่าเป็นวันที่มีนมีความหลงลุสภาพอ่าถ้าเราเคยเรียนนะครับฮะดิษที่พูดถึงความน่ากลัวของวันอาครัตเนี่ยมันมีอะไรบ้างใครจะนึกภาพใครใครนึกบ้างใครนึกได้บ้างครับว่ามีอะไรบ้างที่เป็นเรื่องที่น่ากลัวในวันอาครัตประการแรกเลย คืออะไรเราตื่นขึ้นมาสภาพแบบไหนเราไม่เคยคิดนะเรื่องนี้บว่ที่เราเรียนเนี่ยนั้นที่บอกว่า فكيف تتقون ا, ا ن, ن كفرتم ي, ي, ي, ى, ي و م يجعل الولدان ش ي ب วันอัคราตเนี่ยเด็กเนี่ยกลายเป็นเป็นอะไรฮนะกลายเป็นหัวงอกหัวงอกเพราะอะไรเพราะอัลลอฮฺสุบะฮฺุต้าลาส์ั่งให้ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเอาลูกหลานของท่านที่เป็นชาวนรกออกมาแล้วก็ให้ไปอยู่ในสวรรค์เนี่ยเท่าไหร่นะจําได้ไหมน บ, บีอาดัมถามว่าเท่าไหร่ คนที่เป็นชาวสวรรค์กับคนที่เป็นชาวนรกจะให้ฉันไปแยกคัดออกมาี้เท่าไหร่วระสารบอกว่าอย่างไงจากเก้าร้อยเก้าสิบเก้าสิบหรือว่าเก้าสบเก้าคนเก้าร้อยเก้าสิบ้าคนมีเพียงแค่คนเดียวที่จะได้เข้าสวรรค์ตรงนั้นแหละที่เด็กเล็กๆ เ, เนี่ยขนาดเด็กเล็กๆที่ยังไม่ถึงวัยจะมีผมหงอก ผมเนี่ยกลายเป็นสีขาวเลยด้วยความไม่ประกันเลยอาการที่สองวันนั้นเราตื่นขึ้นมาในสภาพที่ไอชาถามท่านนาบีสุลต่านของอัสสลัมแล้วเราไม่อายกันบ้างหรือท่านนาบีตอบว่าอย่างไงเราตื่นขึ้นมาเราลุกขึ้นมาจากกูโบอของเราไม่ได้ใส่อะไรเลยไม่ใส่อะไรเลยไม่ขีตาอะไรด้วยเท้าเปล่าไม่มีอะไรมีแต่ตัวมีแต่ตัวจริงๆ นะ ถ, ถ, ถ้าเป็นในสมัยโลกดุนยานนี่ก็บอกมีแต่ตัวก็ยังมีเองอยู่บ้างใช่ไหมยังมีเสือ้อชั้นในยังมีอะไรอยู่ติดตัวอยู่บ้างแต่วันอนาครานเนี่ยท่านนบีว่ามีแต่ตัวก็แต่ตัวจริงๆน้องลองคิดดูสิว่าเราจะอยู่ในสภาพยังไงอย่าอัลลฮ์ยกเว้นรู้สึกว่าท่านนาบีอิบรอฮีมหรือเปล่าที่อัลลอ์สุลตาลาจะปกปิดท่านเป็นคนแรกเลย ด้วยความพิเศษของท่านอัลลอฮฺอาลามจำจำตัวบทฮาดิษนั้นไม่ได้อชาต์ถามท่านนบีสุลต์ละสลัมว่าแล้วเขาไม่มองกันเหรือแล้วเขาไม่อายกันเหรือจะเอกันเนี่ยไม่อายกันมากเหรอฮะไม่รู้สึกอะไรกันมากเหรอท่านนบีสุลต์ละสลัมตอบว่าอย่างไงโอ้เรื่องราวที่อยู่ต่อหน้าเนี่มันหนักกว่านั้นอีกที่อยู่ต่อหน้าเขาเนี่ยมันหนักเกินกว่าที่เราจะไป จะไปรู้สึกหรือจะไปมีความรู้สึกอย่างอื่นนอกจากความกลัวอย่างที่สุดความน่ากลัวอย่างที่สุดไม่ต้องถึงวันอาคารัตผมว่านะเวลาที่เกิดไฟไหมเวลาที่เกิดนะน้ำท่วมเวลาที่เกิดอะไรก็แล้วแต่นี่เราก็จะเห็นสภาพคนที่หนีกันปุตลุดไม่ห่วงอะไรแล้ะผมยังจำภาพได้ตอนที่ไปทำฮัทปีแรก ตอนที่เกิดไฟไหม้ที่มีนะ่าจำได้ ย, ยังยังยังยังยังมี้าติดตายอยู่บางคนทิ้งผ้าไอรอมนีขึ้นรถแบบไม่มีผ้าไอรอมเลยหนีไปอย่างนั้นเลยไม่สนใจแล้วนะครับนี่คือความน่ากลัวของมอนอาคาัคคะมีอะไรอีกมนุษย์จะต้องอยู่กับน้ำเงือของตัวเองเพราะว่าดวงอาทิตย์ยอยู่ใกล้มากเงือ่ อัลลอฮุซワล له تعالى ในบางอายัดในสุรษะาะฮะรุกะที่อลัลลอฮฺตรัสว่าสายตาของบางคนที่ตายเป็นสีฟ้ารุรงกอวรุ่งกอว ก, อกอ็คือสีฟ้าตายเป็นสีน้ำเงินด้วยความร้อนระอุ น, นะครับเราจะต้องว่าให้ในน้าเงือของตัวเองน้ําเหงื่อนี้แล้วแต่ว่าบาปของตัวเองทํามากขนาดไหนบางคนเท่า ถึงตาตุม่มบางคนถึงหัวเขา่าบางคนถึงเอบางคนถึงหน้าอกบางคนเนี่ยจมนะครับหายใจไม่ได้ต้องไหว้บางคนต้องเดินมากับเดินมากับหัวอัลลอฮฺอาลราเป็นยังไงสภาพบางคนที่ต้องเดินมากับหัวแล้วไม่ใช่เดินกับเทา้าต้องเดินกับหัวไปยังที่ชุมนุมไปยังสนามมัชชะอัลลอฮฺสุบฮา น, นาะฮ์แล้วนี่คือสภาพอาหวันอัลกิยามะ ذلك ฟ ذلك เย่โมอิ้ ا, น, น ย, ายา์ย์ย์ย์ยนะ์ย์ย ي ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ยนย์ย์ย์ยลย์ล์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย <c oughs> ์ย์ด์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ยใย์ย์ย์ย์ย่ย์ย์ยลยอย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์์ เมื่อกี้พูดถึงเนื้อหาในภาพรวมนะครับพูดถึงตัวบุคคลที่เป็นคู่กรณีคู่กรณีของท่านนบีสุลลัลละฮ์อัลสลัมคนนี้นะครับที่อัลลอฮฺตาัพูดถึงในสุรุตุลมดดศิรก็คืออัล ah. วะลิดอิบนาลมุกีรัชว่าเรา จ, จะเคเรียนแล้วนิดหน่อยนะครับตอนที่เราเรียนส ah ุรุษอัลกัลัมนะครับในส ah ุรุตุลมดดศิรเนียอัลลตจะพูดถ<า>ึงอัลว ah. นะลดอิบนาลมุกีรกันแต่ยังที่ส1บเป็นต้นไป threnى و من خلقت وحيدة จนถึงอายักที่สาบเ็เลยทีเดียวนะครับ t h r n ี้อายักที่11จนถึงสาเนี่ยนักเทศนบอกว่าพระองค์เอายาต์นั่งเล็กในลูกเลี้ยงอินน์มุกีครคือลูกลี้อินน์มุกีร์เราอยากจะรู้จักไหม อันนี้คือหัวโจกที่เป็นคู่ต่อสู้ไม่ใช่คู่ต่อสู้เป็นเป็นอะไรเป็นเป็นคู่ที่คอยอต่อต้านท่านนาบีสุลต่านของเราสันต์นะครับเป็นหัวหน้าของบรรดาชาวมุสลิมในสมัยนั้นที่ต่อต้านหรือว่ามูอาดิดเขาเรีมูาอาดิดก็คือพวกที่หัวดือ้อนะครับหัวดือ้อคอย ไม่ว่าท่านนาบีจะทําอะไรคนคนนี้จะเป็นคนแรกนะครับที่มาหาวิธีหาอุบายเพื่อที่จะต่อต้านท่านนาบีมุฮัมมัสสดสุลลัลลอฮุอละลัยซูลลัยอาลลอฮฺก็เลยมาสอนท่านนาบีสุบฮานอัลลอฮฺอันนี้คือวิธีการสอนกับคนที่ดื้อด้านเนี่ยให้เราทําตัวยังไงท่านนาบีบอกหรือยังบอกแล้วดาว่าวะรื ย, ยังดา่าวะแล้วนะครับ ออกไปจากมัจลิสหรือว่าออกไปจากท่านนาบีสุลต่านซันลัมเนี่ยสีหน้านี่เป็นอย่างอื่นละพวกลูกสมุนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยอเห็นออกมาอ่าเสร็จแล้วอีกหลา ย, สายเสร็จอีกรายเสร็จอีกรลายแล้วเข้าไปหาไม่เข้าไปหาสักครู่เดียวนี่เข้าไปหาไม่ไนานเข้าไปอ่าเสร็จแล้วอีกรายออกมาตอนแรกๆเนี่ย นะออกมาตอนแรกๆเนี่ยเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มที่ออกจะจะมาพูดกับบรรดาลูกสมุนว่าปล่อยมันไปเถอะอย่าไปยุ่งกับมันเลยคือบอกมาว่าออกมาพูดกับบรรดาลูกสมุนว่าไม่ต้องไปยุ่งกับมโหมัน ด, ดีกว่าปล่อยให้มโหมันทางานของมันไปเถอะเพราะว่าตัวเองโดนมาแล้วแต่สุ้านั ล, ลนแหละคนที่มีเขาเรียกว่ามีทิฐิ หรือมีอีกโก้เนี่ยลูกสมุนเอ้ยได้ยังไงได้ยังไงท่านเป็นหัวหน้าของเราท่านเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้จากเดิมที่ดูว่าจะเปลี่ยนจะโนม้มจะคล้อยตามท่านนาบีอยู่บ้างพอโดนยุคเข้ายุคเข้ายุคเข้ า, ขากลับมาใหม่ไอ้อะไรเขาเรียกไอทิพทีหรือ อ, อีกโก้ของตัวเองที่กลับเริ่มกลับมาใหม่อีก แล้วก็สุดท้ายนี่นะนในสุราหานีเนี่ยนะที่มีการพูดถึงว่ามีการประชุมกันที่ที่สถานที่ของพวกสภาของพวกมุชลิกีแล้วคนคนนี้แหละที่เป็นคนตั้งฉายาให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮ์สุลลมอัลลอฮฺอละลัยฮุยบาระท่านนาบีว่าดังนี้โอมัน خ ل ق ت و و ح ีด ة ปล่อยฉันปล่อยให้ฉันจัดการคนคนเนี้ย ใครอลูวารีดอินดูโมเรโรซึ่งเป็นคนที่ฉันเป็นคนสร้างฉันเป็นผู้สร้างมันเองแล้วตอนที่มันเกิดมาใหม่ๆเนี่ยมันไม่มีลูกสมุนสักคนหนึ่งก็จะไปรูกประกวอะไรถ้าตอนนี้นะมันมีลูกหลานเยอะมันมีทรัพย์สมบัติเยอะมันมีลูกน้องเยอะแต่ตอนที่มันเกิดมาตอนแรกมันไม่มีใครเลยมันเกิดมาคนเดียวเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าตอนที่มันเกิดมันเกิดมันคนเดียวเออฉันเป็นคนสร้างมันมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอยากนะครับที่เอาล็อบสบา ว, บาวละละจะลงโทษคนคนนี้นะครับนี่คือหนึ่งเป็นการขู่ <c oughs> ตัวอัลวาลีอิมรลมุฮีรอห์สองเป็นการปลอบนะเป็นการเพิ่มกำลังใจให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลมัมนี่คือความหมายของมันนะครับดานนี้ ว man خلقت وحيدة on เรื่องที่เกิดมาเนี่ยเกิดมาคนเดียว وجعلت له ما لم مدوة และฉันก็นะทาให้เขาเนี่ยมีทรัพย์สมบัติมากมาย وبنين شهودة และก็มีลูกหลานมากมายด้วย ومهدت ه ت م د ة แลวก็ได้ประทานความสะดวกสบายในชีวิตของเขา Summa yaitmauan aziz. Ini, ini bintang. Teriwa, ceh, tuan ton dari alwalid ibn muliak. Pada awalnya, tidak memiliki apa-apa. Lalu Allah mengizinkan memiliki anak-anak, memiliki sumpah-sumpah, memiliki sumpah-sumpah sampai kaya. Namun, masih belum cukup. Masih ingin mendapatkan lagi. Yaitmauan aziz. Ingin m e n d a p a t a n l a g s u m p a h u m a h a a l a h s <coughs> w Kal. อินนุคาน์ลีอาเยตินะงามิดะแต่ว่าแล้วมิจารตีอัลลอฮฺอะลัยฮฺให้ให้สมบัติกับเขาให้ลูกหลานกับเขาเนี่ยบางทัศนีเนี่ยบอกว่าอย่างไงรู้สึกว่าจะมีนะครับคำพูดที่บอกว่าบอกเล่าถึงเอ่อนี่ก็ บ, บอกว่าอย่างไงกาลูว่าคาน์ลูวัยดูหมิอมกะ فقد كانت له أموال كثيرة من الإبل والغنم والعبيد والبساتين وغير ذلك من أنواع الأموال หมายความว่าอรุวาีดเนี่ยเป็นเป็นหนึ่งในจำนวนมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในหมู่ชาวมักกะนะครับมีทรัพย์สมบัติมากมายทั้งอูดทั้งแพะทั้งท่าท่าและก็สวนต่างๆมากมาย ว่าบนนีนชูฮูดะนอกจากจะมีสมบัติมากมายแล้วยังมีลูกหลานอีกลูกหลานที่เรียงรายเวลาที่ไปไหนมาไหนก็จะมีลูกหลานตามไปด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> ลูกหลานเนี่ยลูกหลานไม่ต้องทำอะไรนะครับกินแต่สมบัติของพ่อของอัลวารี อย่างเดียวเลยไม่ต้องไปนู่นไปนี่ละเพราะว่าด้วยสมบัติก็มีเยอะแล้วก็มีลูกหลานอีกเยอะบางคนก็บอกว่าลูกของอัลวะลีนี่มีเป็นมีสิบคนกีละกคนูอัชระบอกกีละซาลาสะตุอชระบางก็บอกว่าส3สามคน <c oughs> แล้วมีสามคนที่รับอิสลามด้วยส ب ح ا ن a l l a อันนี้หลังจากที่ ออาจจะเป็นอัลลอฮฺอาลามันเขารับอิสลามตอนไหนแต่ว่าในตักสีนี้บอกว่า وقد أسلم منهم ثلاثة ม ن ه م ข้าเล็กข้าเล็กอิมาุวะลี่จำได้ไหมฮะแม่ทัพของท่านนาบีสัลลัลลอฮฺสัลลามข้าขเล็กเนี่ยตอนแรกเนีเป็นแม่ทับมารบในสงครามอุฮุดนะเป็นแม่ทัพที่มุชตะกีนที่ทําให้บรรดาสัฮาบะเนี่ย <c oughs> เพี้ยงทําในสงครามอุฮุดแต่สุดท้ายก็ รับอิสลามขาลิดอินุลวลิดฮิชามละกอัมมาระะัคลูอัลวลดอลมหะฮัหมายถึงการที่อัลลฮ ه و ตัดริคูรวัสมทับ لن أ ع ط ي ช شيئا مما ม ت م ع ف ต ه ะ ل ل ه سبحانه وتعالى เขาประคัตว่าพระองค์จะไม่ไม่ให้อีกแล้วมีลูกหลานขนาดนี้มีสมบัติขนาดนี้แล้วถ้าสมมติว่าไม่ศรัทธาต่อพระองค์ก็แสดงว่าหลังจากนี้มันไม่มีอะไรอีกละลอตอะไจะไม่ให้อีกแล้วนะเพราะว่าผู้ที่อันนี้เป็นกฎเกณฑ์อย่างหนึ่งที่เราจาเป็นจะต้องทราบนะครับว่า คนที่ได้รับเนืหมัดจากอัลลอฮ์สุลตางตาลาแล้วไม่ขอบคุณต่อเนืหมัที่อัลลอ์ตาลาประทานให้เนี่ยแน่นอนว่าอัลลอ์ตาลาก็จะทาให้เขาต้องประสบกับความล้มเหลวและความอันนัอาจจะทีละเล็กทีละน้อยนะครับเหมือนที่อัลลอฮ์สุลตาตาลาบอกว่าและอินชครตุมละอ a z a อิล้วเขาเป็นคนที่ด um ื nah, ana, ้อด้านกับอายะห์กับอายะห์หรือว่ากับองค์การของอัลลอฮ์สุลฮานอัลจาละนี่คือสาเหตุที่อัลลอฮ์สุลฮานอัลจาละจัดนำความให้ยากมาให้กับผู้ชายคนนี้นะครับอัลวะลีอิมร์มุกีรอจะอึ้งหัวเขาจะ ฉันจะทําให้เขานั้นต้องประสบกับการลงโทษที่หนักหน่วงอันเลรา้ายหมายถึงความหนักหน่วงในการลงโทษจะอัลลอฮฺสุบฮานาะอฺตะอัลเลาะหดูในภาษาไทยนะครับเขาบอกว่าเรื่องเราจะไม่เป็นไปตามที่คนชั่วช้าคนชั่วที่มีบาปคนนี้คาดหวังอีกเพราะข้าจะไม่เพิ่มให้กับเขาอีกแท้จริง เขาเป็นผู้ที่หัวแข็งดื้อด้านและปฏิเสธอัลกุรอานและหลักฐานต่างๆของอัลลอฮ์ที่ทรงเผยเหนือสรรพสิ่งของพระองค์ข้าจะให้เขาแบกความหนักหน่วงของการลงโทษและความตรากตราที่ไม่มีการพักผ่อนอยู่เลยความหมายของการนี้นะครับหมายถึงว่ามุ่งไปยังอัลลอฮีบินมูรีร์ซึ่งเป็นคนที่ดื้อด้านต่อการรับสัจธรรมแล้วก็ยังท้าทายที่จะต่อสู้กับ Allah, อัลลอฮ์สุบฮาวต้าลาและท่านนาบีของพระองค์ และสุดท้ายนี่ก็คือผลตอบแทนของคนที่ดื้อรัน้นหรือคนที่ไม่ยอมรับสัจธรรมของอิสลามพีม่น้องครับ <c oughs> นี่คือตอนต้นของโซโลฮัลมุดเดสเซเนื้อหาของมันเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าไปในเชิงของการอารินซ่าอย่างที่ท่านนาบีสลุลต่านของสันลได้รับจริงๆนะครับการเอรินซาเนี่ยบางครั้งในอัลกุรอานเราจะพบว่า เราโคดอ่านได้สอนให้ท่านนาบีสุส ล, ล, ส ล, ลต่านสั่งเตือนพรกพวกหรือบรรดามุชริกนในภาพรวมแต่บางครั้งก็มาแบบเจาะจงอย่างอายัดนี้ก็อาจจะเจาะจงสักนิดหนึ่งหรือบางสุราอย่างเช่นสุราตบบัตเชียดาอบีละคับ ก, ก็เป็นการเจาะจงเป็นการเจาะจงรายบุคคลนี่คือลักษณะวิธีนะครับของการที่ระดับหัวโจกถ้าพูดแบบรวมๆอาจจะไม่เห็นภาพ ก็เลยต้องเจาะจงตัวบุคคลในการด่าวะหรือว่าในการที่จะตักเตือนกันแบบายหัวกันเลยนะครับอัลลฮ ا ل ل م นะอคครับอัลลอฮ ل ى علم ص ل الله ب ي محمد وعلى ص ب ح ر ك ر ب ا ل ع ز ة ي س ف و ن س ل ا م ع ل ى ا ل م س ل ي ن ا ل ح م د ُ ل ل ه ب ِّ ا ل ع ا ل م س ل ا م عليكم ورحمة الله